ในเวลาของเราสภาพระกาใข้างนอกเย็วร้ายมากดูน้ำไปลงที่มีตัวเราอหางน้ำดึงยาวเพื่อให้สภาร่างกายเป็นไปไ่้ สภาพาไปร่อ น, นเติมเติมเพื่อนทเราก็เหมือนกันก็ตเรตรียมกองต้องการเปลี่ยนแปลงที่เสร็จเป็นชีวิตประมาณนี้ิึมันมีนมนมนการเปลี่ยนแปลงอตลอดเวลาหลับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะมองไม่เห็นมัน มองไม่เห็นด้วยสายตานี่กือตามเมื่อตาหนังเป็ น, ม, นมองไม่เห็นด้วยปัญญาคือไมมีปัญญาไม่ว่ า, าตาในแรือตานอกาตาในามนันแตกต่างกันกายนอกกับกลยในก็แตกต่างกันเมื่อเราอ่านบทควางกายเดียวแปลว่าอจิตเดียวแปลว่า คนเข้าใจผ่นันเราเข้าใจรา่างกายเสืออะไรเข้าใจคำว่าจิตคืออะไรซ้อนทำนั้นเระมีการดีใจไปไมนไปไหถ้าเราเข้าใจเรื่องขันก็คือขันห้าขันสือขันหนึ่งเราจะไม่สงสัยความรเราจเป็นกายนอกหรือกายใ น, น อปุระงานกายาปุนกการเอันดัต่างกันค่ายายางร้อนการเดือดก็คือขั้นสีนั้นก่ายาก็คือขันห้าอปุระภาษาเราเงานขั้นห้าค่ายาการเดือดก็คือขั้งสี่อันนี้รู้รู้กัน ขันหนึ่งหรือแต่นัญญามีกัรรับนึ่มันไม่มีการปรุงแต่งตัวเ ร, ราแค่ขันเดียวอยู่ที่ว่างๆอยู่กับสัญญาอันนี้เป็นเป็นกลมมนุษย์ไม่มีเรายกเว้นคนที่มีฌานคนที่ได้เราเป็นฌานเท่านั้ น, นแต่เราบาคนก็อยู่กับรหนง จบสัญญาด้วยตัโย้โทษด้วสัญญาที่จมกเวธนาคือพมญจันทรนี่ยังเรียกว่าขันหนึ่งโอเคขันหนึ่งเรามาดูขันห้าเวลาเข้าใจต่ว่าจะเป็นขันห้ามันมีทั้งรูปแลนะนามมันไม่ได้หมายถึงรูปอย่างขันห้ายังไม่ได้แยกกันยืนอยู่ด้วยกันทั่วหน้า เรียงกันตามลาดับคือรูปเวทนาทักอยางกันอย่างอันนี้เอีคกันค่ะอยู่กันพร้อมทั้างรูปได้มาเราก็ทำหน้าที่เข้าไปรูปรูปทุกอยางเข้าทำตามคำสั่งเป็นเวทนานะอาศัยมากเกาะเฉยและแสดง ต, วตัวตนแสดงให้เห็นว่าถ้าเวทนาทัานชอบ ไม่ชอบเฉยๆเพราะว่าแสดงไปต่างๆจ ะ, ะ, ะโทษเขาก็ไม่ได้มันมีที่แต่วพวนี้มันต้องมีที่เกาะมคทีต่างมคือขันสีส่วนขันห้ามีต้องครบตรงนี้ต้องรูปได้น้ำเราะนั้นเราก็มาได้เรียนศึกษาหาความรู้จากขันห้ารูปนาำขันสีเลื้อแต่สีตัวแต่เกาะรูปนี้คือยึดเรืปป่องประวัติ ตามแล้ยังมีอุปทานอยู่มราก็เป็นอย่างทําไมต้องมีอุปทานเพราะอาวิชาปรักชาเราพูดถึงเราว่าอาวิชาอันนี้คือตัวต้นเลยคือความไม่รู้ไม่รู้ที่มาม่รู้ทีอยู่ไมรู้ที่ไปเกิดอาวิชาอาวิชาปัจจยาสำคัญความไม่รู้เนะี่ยจะเกิดกัดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราจะก่อมันดูเห็นอะไรกับปรุงไปตาเห็นรูปมันกับปรุงไปหูฟังเสียงก็ปรุงไปอยากเนี่ยเป่นที่ปรุงแล้วเราสร้างขึ้นมาที่มีปรุงแต่งขึ้นมาแต่ตจที่เราเห็นไม่หมดไม่คนบยังไม่จบจิตยังไม่ดับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าสังคตดธรรมคือยังใช้พวงนี้ปรุงแต่งอยู่ ไปยังอมัมมายุทธไปตั้งแต่ปรุงมาแต่เพราะว่าอุปบาตฐานมันยึดมันถือไว้ตามสัญญาอารมณ์ที่มันรับกันมารับอะไรกันมามันก็ไปปรุงต่อไปพวกรายไม่ได้เป็นหน้าที่ของมันเป็นที่มาของยึดอุปบาตานทําไมต้องอุปบาตฐานเพราะว่าไม่มีความอยามีความต้องการสิ่งเห่านี้มันยังอยากอยู่คืออยากได้อยากอยากเป็นมันก็ยึดเอาสิ่งเหล่าน นี่ตามมาเมื่ออยากได้อย่างนี้เป็นมันเป็นก็ทุกข์หาตามมาชาติชราพยาธิมรณะสุขภาพดีเทวตามกันมาเป็นพัวเป็นกระบวนเลยแล้วมันไม่ดับมาเป็นกระบวนการขมันี่คือ เ, คคเรียนเล่าให้เราฟังตั้งแต่ต้ต น, นตึก ว, ว่าคือเกิดชราติไปอยู่ชาติชราไปอยู่นานๆ น, นีน่คือพบชาติ ก่อนที่เป็นภพกับวิชาไอาชายเสร็จก็มาเป็นภพคือการมาภพรอภพอรูภ พ, พ, บพบที่อยู่ที่มาของพวกเราพวกเรามาดิจิงุพ้เรามาอย่างนี้ที่มามาจากกรรมมาภพอรูภพวนธีอย้นที่มาถ้าเป็นขันถ้าเป็นภพกับกรรมมาภพ รูปภพภาพภาพก็คือยังบริบทการใช้บริการการรูปภาพก็ยจะติดวิญญาณรูปฌานภาพก็คืออารมณ์ฌาคือธรรดาชั้นตุ้มในส่วนกับพวกเราหมาถึงความรู้นึกที่คิดรุ่กันืองทีนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันข้อที่มันไม่รู้ไม่เป็มันก็เรียนรับประเอยๆดังนั้นเราเรียนรับใหม่เราตั้งต้นชีวิตชีวิตที่ไหนก็เกิดแล้ว คือชาติชาติชาติเกิดแล้วเป็นยังไงจิเกิดแล้วก็จิตมันปฏิสนธิรวมในเข้าร่างจุวินญานั่นแหละปฏิสนธิเข้าสู่ตัวลในร่างกายมาจากไหนมาจากพบกการเราฟอรู้ไหมว่าฟอกทำไมยังมาอยู่เพราะเขาเอาวิชาที่มันไม่ถึง <im> <ifer> <als> มันเป็นตัวแสดงเป็นตัวมาเป็นตัวผลักดันมันก็แยก แยกไปตามสัญญาอารมณ์ตามภูมตามชั้นความจิตเรียกว่ากรรมคือการกระทํำของจิ ต, ย อ, จตอยู่ในชั้นไหนอยู่ระดับไหนสลาดมากสลาดน้อยไม่ชาดเลยก็แยกแยกกันไปตามภูมตามชั้นความจิตมันก็ไปปฏิสนทธิตามปูมตามชั้นนั้นเราเราะเห็นเร่องขึ้นอยูปัจจุบันพอปฏิสนทธิเสร็จแล้วกรรมตัวจะแยกแยกแยยม่เสรกรรมอยู่ผลการกระทำของเรา เขาก็เห็นอยู่ฐานะทั้งหลายที่มีอยู่เพราะอะไรแต่เพราะมันมีเสร็จกันอยู่ชีวิตจิตนี่สําคัญมีชีวิตอย่างเดียวรู้ก็เป็นอยู่เป็นไปของชีวิตทั้งจิตเป็นคอยปรุงคอยแต่งดูแต่ลายปรชีวิตจิตพอปรุงแต่งเสร็จเกิดการกระทําขึ้นมาเกิดความตอย่างเกิดการกระทํำพฤติกรรมการกระทำเว้นเสียออก ทางความคิดกับพูดการกระทํหรือว่ากรรมรู้ไหมการแสดงออกหรือมีผลหรือว่าลงมือกระทําแล้วม่ว่าจะเป็นความคิดกระทำกับพูดกระทำการกระทํากระทำเรียกวิญญกรรมวธีกรรมมโนกรรมมันก็มีผลของมันที่จะเกิดขึ้นจนเรียกวิบากรู้ผลของมันผลการกระทําของมันของเราเนี่ยแต่เราไม่รู้คือไม่มีสติ จีนีถ้าทั้งหมดเนี่ยั้ปต้นมีแต่ชีวิตเย่างเดียวมีแต่จิตอย่างเดียวพุ่งสร้างรบนะมีการกระทันอย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมะตัวกํากับดูแล ย, ยากที่จะสมบูรณ์แตบยากที่จะมีชีวิตอยู่อย่างครบถ้วได้มาก็มันก็สเปสตาสารศาสตร์ทั้งหลายไปทำเจตหากรรมทาเวทรทำกรรมทำทำอยู่อยูยงง่ยังไงกินยังไงพักยังไงยังไงก็จนนะทำมาติ จิตวิจัยกรรมธรรมะเพราะว่าเข้าถึงธรรมะไม่ได้ทุกต่างกับพวกเราเรามีธรรมะแต่ถ้าเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่มีธรรมะก็เข้าไปถึงธรรมะเลยไม่แตกต่างเรื่องเป็นมีขันเหมือนกันมีขันสี่มีขันห้าเหมือนกันมเรื่องกับหังเหมือนกันหมดแต่ทําอะไรไม่ได้าะตัวธรรมะมันมี ม, นมันเกิดเมื่อธรรมะไม่เกิดสติปัญญาเวรากะทิทาจะมาจากนั้น มัน ม, มีคือมันอยู่แค่นี้คือชีวิตอยู่กันคือมีชีวิตมีจิตมีกรรมคือการกระทําเราก็อยู่กันยุ่ติกันกันแต่ผลขการกระกทําเป็นยังไงก็ไม่รู้อวิชาติอยู่ติดถึงเพราะนั้นถ้าไม่มีปัญญาต่อบไปนั้นไปมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นหรือเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็อบตัวหรือว่าในตัวก็คือกั้นห้าขันสี่รูปหยาบ รู้ละดไม่มีทางไปคือไปต่อไม่ได้ก็อยู่ทิ้อยู่ตรงนั้นสติปัญญามันเกิดมาได้แค่นั้นชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับเรามาที่จิตปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะวนวนจะนวนเพราะความคิดนั่แหละวนเพราะคําพูดของตัวเองนั่นแหละวนเพราะการกระทําของตัวเองนั่นแหละเรียกว่าวัฏฏะมันวนอยู่ในวงเวียนต่างเด้อ เดียวกลับมาคิดเรื่องเดิมเหมือนข้าปลาอาหารที่เรากินไปไม่มีอะไรที่เราไม่เคยกินกุ้งหอยปูปลาปลาเดิมๆแล้วก็วนไปวนมาขึ้นมาก็บอกว่าอร่อยเพกำลังจะอร่อยแเราไม่ได้คิดเดี๋อวัดปะเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะวนอยู่วนไปตามความคิดกับพูดกัรกระทำของตัวเองไอม่สามารถจะสลัดลูกออกจากนี้นไปได้ คิดดีเป็นยังไงพูดดีทําังไงทำดีเป็นยังไงมันก็จะวนไปตามมันเกิดกิเลสกรรมมีบากรีวาตตาทำยังไงถึงจะไม่ให้วนกลับมาที่เดิมตัวที่สองอภิชาปัญญาสร้างข้าวบากระเพาะมันกันสังขารกันปรุงแต่งดูถ้าเป็นวิสังขารล้วหยุดการปรุงการแต่งปรุงให้มันน้อยแต่งให้มันน้อยคิดให้มันน้อย ทำจิตจะให้สงบเป็นอ า, ารมณ์อันเดียวหรือเอกคตาอารมณ์นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะจรณาพัฒนาไปไกลไปมากกว่านี้แต่ในที่จิตเราจะไม่มีเอกคตาอารมณ์ยากมันก็เป็นสเปกสปะสลักหลายช า, าะระกัอารมณ์ก็เปล่าแต่ว่ามันจะช่วดีกว่าอาหารกินแล้วมรวมที่เดียวกันแต่อารมณ์ของเราไม่ใช่เงี้ยก็มีคนถามอย่างเดียกันว่าอารมณ์คืออะไร อารมณ์ก็สิ่งที่เรารับมารับมาแล้วไปปรุงคือสังขารอารมณ์คือระมะคือมาแล้วมันยินดีไม่ยินดีเฉยๆมันทํำหน้าทิ่งของมันมนั่เฉยส่วนความเสียหายเกิดจากตัวเราถารับมามันไม่ดีไปต่อไม่ดีเป็นโทษมันไม่ได้มันมีหที่แค่ทั้งเหมือนตาเปิดมามันก็เห็นรูปส่วนเห็นแล้วชอบไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับตาล่ะ แต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปโทษที่ตาจริงๆมันไม่ใช่ตาที่มี่เห็นเท่านั้นเปิดตาเห็นรูปเขาเห็นว่ารูปสวนชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวอะไรกับตาแค่นี้เรายังแยกไม่ออกในเชื่อจะหูเหมือนกันเหมือนเวลาที่รับสัญญาณรับคลื่นเข้ามามันไม่เกี่ยวอะไรกับดีไม่ดีส่วนรับมาแล้ว อู๋ไดฟังมาแล้วมันชอบไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับหูแลมันเกี่ยวะกับใจเกี่ยวะรกับอะไรใจจิต น, นะแต่เราเข้าไม่ถึงมันประหยุดแค่ตาไม่หยุดเแค่หูมันก็กลายเปเรืองปิดกันเป็นคนปิดขั้นไม่ให้เราเข้าไปถึงข้างในได้อย่างรียกเราไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงจิต แต่ทั้งติดจิตแจิตตะแต่ว่าตัวกรุงตัวแต่งตัวเก็บตัวกอจิตตะมันก็เกาะไปเรื่อยมันสะสมเป็เรื่อยเป็นหน้าที่ของมันนม่นมันพี่ของมัน ม, ม, มันอสะสมเมื่คิดว่ากรุงมันแต่งแล้วเกิดสังขารขึ้นมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเอางสังขารทั้งต่อกสี่ตัวข้างหลังก็คือเกิดจากรูปสมัมปทาแต่รูปอันนี้คือรูปละ แต่เนชอบไม่ชอบเวทนาธรรมที่เท่เวทนาคือสู่กับเวทนาทุกข์กับอุปเเกรดเวทนามันรัดช่วงไปว่าได้เห็นรูปแล้วเป็นยังไงเกิดเวทนาควารู้สึกดูสบคุยอารมณ์ว่าสวยอารมณ์ที่มันเห็นแล้วมันชอบไม่ชอบเฉยเฉยเราก็ยังตามไม่ทันมันชอบตามก็ไปสิ่งที่มันไม่ชอบกตามก็ไปเลยคือผสมไปด้วย แต่เป็นกลางจริงมันมีความยากลำบากในการปฏิบัติเพราสติปัญญาเราไม่พอสติสัมปะอะไรายังไถึงนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เรามีอยู่คือสติปัญญามันมีไม่ใช่มีเพียงแต่มันน้อยมันทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาหรือรู้แจ้งจริงตามความเป็นจริงในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่มันกระทบได้ ไม่สามารถจขาดไปได้ก็ไปติดตัวนั้นแ่ะคือติดชอบไม่ชอบติดสุขติดทุกข์ก็ยังคล่องอยู่ตัวนั้นทั้งสองอย่างก็ชื่อว่าติดก็ชื่อว่าคล่องถึงแม้อารมณ์นั้นมันเป็นสุขก็ตามก็ชื่อว่าใจมันเป็นที่สุขแม้ทุกข์มากระทับก็ชื่อว่าใจมันเป็นที่ทุกข์เพราะมันวางไม่ได้เป็อปเเบกาไม่สามารถจะวางสุขความทุกข์ได้อารมณ์สองอย่างมันติดชินแล้ว รู้ชอบไม่ชอบแต่ว่าเฉยๆน้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราวางอารมณ์ทิ้งไปก็ยากที่จะไปได้มันไปต่อไม่ได้มันยากเพราะว่าพอใจไม่พอใจมันเกาะเอาไวมันพ่วงเอาไว้มันดึงเอาไว้มันไปไหนไม่ได้ก็ไม่เกิดปัญญานะครับเาะอันนี้คือมาราทำนาที่ของเขาเป็นการยากครับแล้วมันก็ไป็นวงต่อถ้ามันทําไมรู้สึกทำไมวุ่นวุ่นว่ะรูเวทมาสัญญามันจํา จำได้หมายรู้อี่คือตัวสัญญาสัญญาในสําคัญมากๆคือตัวใหญ่เราก็จะไปตัวสัญญากับปัญญาไปจบที่สัญญาแะเป็นในตอนไม่ได้ถ้าถ้าเที่สัญญามันตัวเป็นเหตุของตัวสังขารรูปพัฒนาสัญญาสังขารตัวสัญญาเนี่ยทำให้สังขารเป็นปรุงต่อคือไปผสมโลมไปต่อคนยาวสายเขาเขาเรียกว่าตั จะสักการวิญญาณช่ยเกิดการรับรู้วิญญาณ ก, การรับรู้แต่แต่รู้ไม่จริงสิ่งที่เรารู้มารู้ไม่จริงคือไม่รู้ที่เป็นสัจจะธรรมรู้ไม่จริงรู้ไปตามสัญญานั่นแหละก็ปฏิบัติกันพอใจด้วยพอใจรูป้ไปตามสักการ์ดิญญาณนี่คืเกิดบวนการขอ่อมเป็นไหมเพราะเพราะจากการนา้นคือถ้าเรามีสิ่งเป็นพื้นฐานจะรองรับได้ทั้งหมดวัดเดียกับจัด ก็ไม่ตกกับวลนะพวกก็แต่มันเกิดมาเมื่อสิ่งเกิดแล้วสมาธิตัวสําคัญในฐานตัวที่สองก็คือสมาธิถ้ามีอารมณ์เป็นอันหนึ่งกดยากเพราะว่าถ้าไม่มีอรมเป็นหนึ่งแปลมันจะงวิ่งได้น้ำพังสภาอารมณ์ทั้งหลายเลยมันวิ่งสาดพี่เองมันวิ่งแล้วถ้ามันรู้จักมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปผสมอารมไปตอบคนยาสาวแบบน อารมณ์กิจสิทธิระภาอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์อดีตอารมณ์นี้เป็นอนาคตโดยที่เราไม่มีสติกรรมกับก็ยากความสุขใจก็คือฝึกสมธิเพ้เกิดสติอีกจิตมันนิ่งมาอยู่กับตัวเองเข้ามาหาตัวเองแล้วมันจะเข้าใจคำว่าสติคือเราลึกได้นึกขึ้นมาได้คือรู้ตัวลแ ล, ล, ล้วแหะแต่เรารู้ตัว จากเมื่อ่อนที่มารู้ตัวเมื่อเราตื่นมาในขณะที่นานเราไม่รู้ตัวนั่นแหละคือการเสติจคนที่การสติเคือนี้ิตื่นขึ้นมาเช็คตัวกันมารู้ตัวกันคือการรู้ตัวก็คือมีสติจนี่เอแต่สติจแบบโลกโลกที่แบบที่จะไมด้วยสัญญาสาระพัดสัญญามัน ก, ก็ทําหน้าที่ต่อในขณะที่ยังไม่เสติในะที่ยังนอนเมือ่อคนนอนหลับไอ้ชีตัวมันไม่รู้เลยมันทําที่ไม่ได้ รูปมันทำหน้าที่ไม่ได้เวทนาหันใจสังขารหันมาทำหน้าที่ต่อส่วนรูปนั้นมันหมดหมดน้าที่ขงมันแล้ตาทําที่ไม่ได้หูทําที่ไม่ได้หรืแต่จ้ามือแขนขาตายอื่นทำหน้าที่เลยไม่ได้มันมันกําดับตัวข่าวไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ต่อไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันไม่ไปเกาะที่รูปหรือรูปยาแต่มันอาศัยรูปละเอียด เกาะไว้ ต, ต, วไตั้งไว้เมือนอราทำพุทธรูก็ตั้งหรือว่าปฏิสถานตั้งอยู่ทิิคือที่ตั้งจิตคือที่เกาะจิตคือที่เกาะของสี่ตัวด้วยแบบเวทนาที่อาองกันมันต้องมีที่เกาะถ้าไมนที่อยู่ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นตัวจิตมันก็ไปปรุงต่อปรงอะไรเป็นรูปหยาบเกี่ยวกันละมันเดจะรูลปละเอียดอันนี้นคืออารมณ์หเอียดมันาาก็จะรูปละอียดต่อในขณะที่เรบปกติแต่ไม่ใช่ ข้ากนะ็คือเวลานอนก็เนี่คือแนวทางหลักการเดียวกั น, กก น, น, กนคือต่กับเรานั่งสมาธิเมื่อตั้งสมาธินั้นเรามีสติ ร, รู้รู้รู้เสร็จแล้วนี่กิจวัตรที่ไปกับอริยสัจสี่ข้อแรกคือกําหนดฉันใช้ว่ากําหนดทุกคือข้อแรกอริยสี่เมื่อมีสติสมาธิพอแล้วกําหนด รู้อะไรรู้ทุกทุก่างแต่ทุกอแบบสุขภาพเป็นยังไงแต่คนส่ญญวนใหญ่บจาคอยาก จ, จละลัไม่อยากให้มันมีขึ้นมานปิดขักองทุกเป็นเรื่องที่เ ร, จ า, ดด า, เเราจะต้องกําหนดรู้ไม่ใช่กำหนดละเรียกรอดไม่ใช่วาเป็นอะไรที่ต้องกาหนดรู้รู้อะไรรู้สาเหตุของมันะที่มาของทุกข์มาจากไหนสมองไทยคือต้นตอ เพรฉะนั้นถ้าเป็นภาษาเร า, า ง, ง่ายสาธารณชนได้ทุกก็คือปัญหาแับให้ทุกคืออะไรบอกทุกคือปัญหาสมุทัยคืออะไรเหตุของปัญหาเราเข้าใจได้เราเข้าใจว่าคือปัญหาเป็นอย่างนี้เหตุของปัญหาเป็นนี่คือสิ่งที่ที่จะสอนที่จะส่งผลกระมบเราไม่ด้เไม่ได้สอนแค่ปัญหาเป็นอย่างนี้มา เขาแพ้เป็นข้อต่อไปก็คือนิโรธทําไงด้วยปัญหาหรือทุกคนดับคือทางนั้นดับคือนิโรธคือจะต้องทําให้แจ้งให้แจ้งต้องทําให้สว่างไม่งั้นมันก็จะมืดอยู่อย่างเี่ยนะ่ะมันไม่มีทางได้แล้วก็ปัญหามันก็ไม่ดับคือมันนิโรธรนิโรธแปลว่าดับปัญหามไม่ดับมันก็เกิดขึ้นซ้ำซากหมุนเปลีย่ยนไป เพราะเราม่รู้เหตุรู้ปัญหาไม่รู้สาเหตุของปัญหาทีรอดมันก็ไม่เกิดเมื่ตัวสุดท้ายเมื่อรู้อยมีแล้วองค์ข้นที่สีคือตู้สวนในโลกมารคือต้องให้เจริญต้เจริญมากๆต้องใบัตเกิดพัฒนาไม่ได้ว่าภาวนางข่าวนางเป้าท้องมีได้เป็นคือะไรเกิดขึ้นไปื่อให้มันเจริญขึ้นไม่ดีกว่าเจริญด้วยอะไร จจเจริญด้วยศิ่สมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่ามรรคหือหนทางหรือว่าปฏิปทาที่เราเกิดมีแค่นดยวสี่หัวขอ้อนมันจะเจริญได้ยังไงในเมื่อสิ่ยังไม่มีเลยที่ไม่ปรากฏพุทธิสิทธิปัญญาเกิดขึ้นหมายว่ารู้แจ้งด้วยปัญญาเกิดขึ้นมีสติความมีปัญญาก็เริ่ามีสติปัญญาแล้วกลับมาที่เดิมกลับามาดูขัน กันห้าันสี่ขันหนึ่งขันหนึ่งจะยากต่นี้เป็นอารมณ์เป็นอกของชาวเอาแค่กันห้ากับขั้นสีนี่แเมื่อมันแยกออจากกันมันอยู่กันยังไงมันเป็นแยกกสีกันห้าไม่ออกรับผภาษาเราง่ายๆคือแยกรูปแยกนามให่ออกในชีวิตประจำวัน รูปกำนานมันแยกออกแล้วจะไปคนละทางไปคนละรื่องรูปอันนี้คือร่างกายคือสังขารอันนี้มันไม่มีค่าใดๆเลยหรือถึงเวลานอนหลับ ม, ม, มีอะไรมีค่าอะไรไหมถ้าลมหมดหายใจแล้วมันก็เนา่ามันก็เหม็นมันก็เป็นซากซากนะครับนี่นถ้าไม่มีจิตคลองร่างถ้ามีจิตตั้ง ตั้งอยู่คือมันออกจะเป็นภาษาอื่เพราะอื่นก็เริ่มไปจุติคือมันเคลื่อนมันเคลื่อนอาจากตรงนั้นจิตแต่เราเชื่อว่าจิตมันออกจากร่างด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเกิดการมันยืดขยายดูวยทนไปทนนานไม่ได้รู้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะแยกออกจากกันทีนี้มันแยกออกจากแล้วมีาไม่ทตนามรูปไม่ได้มันก็ยังอาศัยรูปอยู่ เป็รูปหยาบยังอาศัยยังไงก็สัญญามันมีสัญญาคือความจําอยู่แล้วสารพัดรูปมันอยู่ในความจําอยู่แล้วพอมันนึกอะไรขึ้นมามันก็จะนั่นแหละเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตก็จะถือตัวนั้นหล่ะอุปาัฏานอุปปัานกันยึดกันถืออยังไงอุปถทาน์ก็จะผัสสะมักต่อไปนี้ถึงแม้รูปหยาบอันนี้มันไม่อยู่แล้วมักไปรูปียต่อมันก็จะต่ออยู่จั้น ดูแค่สีตัวอันนี้คือแนวทางในการปฏิบัติกบบเราเพราะฉะนั <sorry. S 1> <any> ้นเบื้องต้นให้เราเข้าใจเรื่องยาดูรายละเอียดของรูปของกายหลังจากนั้นก็แยกว่าเข้าใจว่านี้นะนี่คือน้ํานี่คือดินนี่คือไฟนี่คือลมซึ่งมีอยู่ตัวตัวของเราในโลกกระถางนั่นแหละก็มีอยู่แค่นี้จะมีธาตุดินธาตน้ํธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็จะเยอะหน่อย น้าเยอะกว่าท่าดินถ้าใจว่าไปแล้วในร่างกายาน้ำเยอะกว่าเหมือนโลกเราน้ำมันเยอะ ก, กว่าเยอะกว่าพันดินนี่คือธรรมชาติมีน้ำมีดินลมถ้าไม่มีลมคือมีอากาศสปปรรพสิ่งสรรพสัตว์ต่างหลายเราอยู่ไม่ได้ยังไม่เป็นเยังไม่มีชีวิตอยู่น้ำไฟลมไฟถ้ามีความร้อนให้เอาอบอุ่นโลกเป็นถ้าเราไปอยู่หู่มลมเราก็ลอดชีวิตอยู่งนี ถ้าทั้งสี่มันผู้ชุมกันมันเสมอกันเด็อุณหภูมิคือความเย็นความร้อนมันพอดีมันพอเหมาะมันพอเจาะนี่ทําให้เกิดคือเราเกิดก็เพราะเก็ดจากอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาก็เกิดเพราะอันเห็นไหมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขากกไข่ก็เพราะเกิดอุณหภูมิเกิดความร้อนที่มันพอเหมาะพอเจาะพอเช่วไกลก็กกไข่ การอุดภูปของควบรวมอุดความร้อนกมามันก็ออกมาในกนบบระบอกลมต่อมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นรูปเป็นนามแต่ว่าเกิดมาแล้วมันไมเหือนกับพวกเรามันจะมาแม้จะเกิดโดยการเป็นตัวก็ตามเกิดเป็นไข่ก็ตามนั่นคือวิธีการของเขาแต่ว่าพอออกจากนั้นแล้วก้าใส่ธรรมชาติล้วนๆตอะนั้นเขาเรีบออกมาเสร็จแล้วเขาไม่เหมือนคนเราออกไปสักพักหนึ่ง เขจะเดินก็ได้กระเด้เขจะเดินต่อไปได้คือการเอาตัวก็มย่างนั้นตายมันเป็นเหยื่อเป็นอาหารสัตอื่นอะไรที่สัตว์นะแต่คนเราไม่ใช่ก็ออกมาแล้วเสร็จโอ้โหก็จะคืึ้นก็จะคลานก็จะตั้งไข่ก็จะเดินได้ก็จะรู้เรื่องพูจจากันได้โอ้สองปีสามปีเพราะฉะนั้นพวกเราคนตัวถึงขนาดที่มันได้ยุ่งยากลำบาก เ น, นั้นการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์อีกมันหนักก็เป็เรื่อยากลำบากมันเป็นมนุษย์แล้วจะเข้าใจสภาวะทำสิ่งต้งการมันก็เป็นเรื่องยากแต่คนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จมันคือรับประโยชน์จากการนี้นี่เป็นเุืิองยกที่สุดเลยอัราะนั้นพวกเราอยู่ในขั้นตอนไหนต้องเข้าใจต้องการเรียนรู้ขั้สี่กันห้านะก็อาจจะไม่รู้จักจริงจากความจริง แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่เราพยายามเพียนเรื่ความเพียนเรามีความเชื่อมั่นตั้งมั่นลงใจมั่นใจแล้วเรื่องเดีวยด ว, ยวยคือความเพียตนตรนี้ต้องถามเสีย่างทุกวันนี้เรามีความเพียนมากน้อยขนาดไหนที่จะทําสิ่งที่ต่อไปได้ในขณะที่เราความเพียนสติเราสมบูรณ์แบบไหมเราอยู่กับความเพียนะ้ยนไหม อยู่การยืนอยู่การเดินอยู่กันนั่ง อ, อยู่กันนอนในขณะที่เรายืนเดินนั่ ง, งสติมันมีมากน้อยก็ได้สมบูรณ์กระแตนั่นแหละถ้าเดินสับแต่ไปเดินนั่งจักแต่ว่า น, นั่งนอนจักแต่ไปนอนก็สติมันไม่เกิดคือไม่ต่อเนื่องหรือมีมันไม่ต่อเนื่นองตอัญญย่างเขาสมบูรณ์แบบอยู่ตรนี้ปัญญา เกิดสติสติแล้วต้องไปปัญญาคือคือการเรียนหลังจากที่เราลองผิดลองดูกแล้วเปลี่ยนอริยบทแล้วยืนเดินนั่งนอนแล้วเราก็เห็นความแตกต่างแล้วเออนั่งเป็นนั่งเดินเป็นนั่เป็นกิดปัญญาเกิดความรู้สึกคือรู้แจ้งจริงๆในเรื่องเหล่านี้ว่าโอถ้าว่าจะอริยบไหนก็ตามยืนก็ตามนั่งก็ตามเดินก็ตามสุดท้ายมันก็คือทุกคือลําบากคือทนไม่ได้ คืออยู่ได้นัานๆนนนนไม่ได้เราจรึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์ขถ้าเกิดกัตถะใดก็ตถะใดว่าอยู่ยากอยู่ลำบากไม่ได้บบไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ละคนทุกข์เกิดขึ้นคือมันอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นม่ได้เหมือนสลาระหลังนะจะบอกมันมีทุกข์ก็ไม่ใช่วันหนึ่งมันต้องแตกสลายไปโดยสลายไปอาจจะนานเหมือนกันนี่คือสภาพกรรมฐานทุกข์ร่างกายของเราจะเมืนกั ที่มันตกอย่างนี้กเพราะว่านี่คือปัญหาตัวทุก็คือตัวปัญหาตัวสมมุติไทย็ิเหตุเราก็ยังเห็นว่าไทยเกิดยังปรุงยังแต่งเนี่ยปฏิปทาต่อัองมีเวทนาใสักอัวิญญาณอยู่ไปปรุงแต่งต่อนัก็คือตัวติดต่อคือเหตุกับปัญหาเพราะว่าเราไม่สมามารถที่จะุดเวทนาสังฆอันวิญญาณต่อไปได้มันอยากมีกาปรุงแต่งต่อไปอยู่ทุกทุกอย่างคิดไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ คิดรงดีเรื่องไม่ดีันจะคิดอยู่อยู่ปรุงจะมกระบวนการแต่งดยเมืตามมาก็ดับไม่ได้นิโรธไม่ต้องไปทอานมันไม่ไดส่งเหานี้ัไม่ดับไม่เคยคิดจะดับเพราะนั้นเพื่อสิ่งเหล่ี้ดับก็ทำให้เรามีแนวทางในการปิบัติชาเิอรียนรู้สิ่งเหล่นี้ปัญญากรจายสิกายกสิกาเกิดขึ้นแล้วพราตรนัใจไม่ต้องเอางมันมั น, นคงอยู่แล้ว เมื่อพระัฒนาใจใจศีรษะเรากรอบซึมปุริปัญญาหลังจากนั้นใจรักซึ่งเรื่องอยขานคือพิจารณาตะรักคือการเกิดขึ้นต้องอยู่ต่อไปก็สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหมาทั้งหมดทางปูนง่ายๆคือเห็นการเกิดการดับให้เร็วที่สุดเห็นการเกิดการตายให้เร็วที่สุดเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วคือจิตคือสังขารคือควาคิดใน่คิดปงแต่ง เกิดปุ๊บให้มันดับเลยให้มันรู้ทันอย่าไปต่อคนยาสายความคดนืน อ, อันสมนเห็นการเกิดการดับการเกิดเนี่อะไรการปฏิบัติอยู่ได้ผลถ้าเกิดแล้วไปต่อมันรู้ ด, ดึงกลับมากําหนดใหม่คือกําหนดใหม่ใช้แบบกําหนดมันล่าไม่ได้ก็คือต้องกาหนดใหม่จะด้วยวิธีกําหนดดึงสติปัฏาตัวเองหรือกําหนดลมหายใจกลับมาที่เดิม พูดง่ยๆคือมานับหนึ่งใหม่เปนอะไมันนับหนึ่งเป็นสิบแล้วก็นับหนึ่งใหม่รือเราต้นใหม่กำหนดยุทธ์นตลอดเวลาการต่อสู้กับมันอยู่ตลอเวลาส่วนใหยะเวลาแล้วกันการทำงานจะเตือนยืนเดินต่างหมดเมือนมาได้ที่ได้ทางได้เวลามันเข้าล็อกมาแล้วจิตก็จะลงมันเองมันจะเป็นธรรมชาติเพรมันเพื่ออัตโนมัติมันไม่มีสูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเยอะไปทีนี้แล้ว จะลงอย่างนั้นไม่มมีไม่ว่าสายนั้นสายนี้สายโน้นไม่มีเอาแพีแค่ลมหายใจไม่ต้องมีกรรมยกรร ม, มันก็ลงได้แม้แต่แม้แต่ผู้จา้าเราก็ใช้แค่ดูลมหายใจออกนะแต่ว่าอย่าเปิดโดดไปนี่ถ้าเข้าั้อ ง, ง, งองงก อ, งอกถ้าออกถ้าอยากไม่เหย็ดถ้ามันเข้ า, ขาล็อกมันเองมัาจะรู้แจ้จริงื่อมันล็ล้วแล้วมันเข้าถึงใจแล้วลมหายแล้วหรือแต่ใจแล้วทุกทุกที่อยู่เข้ามามันก็จะดู ซุขามามันก็รู้ซุกเข้ามามัก็รแต่มันไม่เอาด้วยคือมันวางวางสูบวางทุกได้นั่นกเ็เลอุเปบกขาเบื้าเราเข้าถึงถึงนั้นก่อนเมื่อเข้าถึงนั้นถ้าเราทั้งมันชินถ้ามันเป็นนิสัยทำเป็นประจำจะเป็นเนรื่องปกติมนะาขบานกระทบเสร็จแล้ววางไ ด, ด้อะไรก็ตามที่มันกระทบเระวังได้ดีคือภาษาภาษาบางทีเมื่อวางได้ดีสังหารมันก็ไปต่อไม่ได้ มันก็ปงแต่งต่อก็ได้มันมจบเต็มทีมันลงเันมทีมันหมดทันมทีทำอย่างนี้เสร็จเราจะไปรู้จักวิธีตับทุกข์ให้กับตัวเราเองในวิธีตับเป็นชีวิตปัจจุบันมงั้นมันไม่มีทางเลยทางอื่นไม่มีเราแก้วิธีนี้ไม่มีเลยแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทําได้ด้วยดุมันก็เหมือนเดิมแชีวิตจิตกรรมธปัญญามันไม่เกิดมีแต่ชีวิตมีแต่จิตคือวงแต่อ่งทีะสั้นาน เกิดการกระทําไม่สามารถาเปลี่ยนแปลงการกระทานั้นได้เมื่อคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการทระได้อย่าไปหวังเรื่องผลของมันทาอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นอันนี้คือทิ้งที่ผู้เจ้าฝากให้พวกเราทั้งหลายเป็นแนวทางนกันพราะฉะนั้นผู้เจ้าของเราเคยพูดอยู่เสมอว่าสิ่ที่ผู้พูดมาทั้งหมดนี้เอกลักษณ์สัญลักษณ์อั ต, ตลักษณ์ของผู้เจ้าเราคือ พูดอย่างไรทําอย่างนั้นนี่คือปุจจาระทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนี่คือปุจจารไม่ได้นอกมันือไปอย่างนั้นคือทําได้ก่อนแล้วไปพูดคือปุจจาเราทําอย่างไรพูดอย่างนั้นคือพูดอย่างไรคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยทาได้แล้วถือได้พูดคือปุจจาะซึ่งต่างกับพวกเราสัพพสัตว์ทั้งหลายพูดอย่างทําอย่างมันไม่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ตรงกันผู้เจ้าของเราไม่ผู้เรามัคคิมจัดยัน ตัดอย่างไรก็สมปฏิบัติอย่างนั้นมีปฏิบัติอะไรกันเหมือนกันทำอ่างนั้นนี่คือขุดจานี่คือพ่อของเราเวัะนั้นก็ฝากปฏิบัตาหรือว่านิสัยนี่ให้พวกเราให้มีนิสัยอย่างพ่อขเราบ้างเอาตัวอย่างพ่อเราบ้างพ่อเราลองคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไัคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคิดอีอย่างก็พูดอีอย่างพูดอีอย่างแล้วก็ไปคิดอีอย่างอันนี้แหละคือปัญหาเพราะชีวิตเออนี่คือต้นตอละ ถ้ า, ายังไม่แก้สิ่งเหล่นี้หรือแก้ไม่ได้ก็ต้องเก็จะเป็นอยู่อย่างชช่นดาวก็จะเป็นอยู่อย่างเหมืนตัวที่ปราบได้แบบดับดาในบุทธท่านคือศีล น, นี่เป็นตัวปราบศีลนี้ได้คือปราบกายปราบบาจาศีลข้อกันกับกับดูแลปราบแค่นี้เองนี่คือตัวศีลตัวสมาธิ น, นี่คือใจเป็นคือนามพูดง่ายคือศีลนี่ปราบได้แค่รูป มันอยู่ได้แค่รูปคนหนึ่งสินะข้อดีของมันส่วนสมสนาธิคือนานอันนี้เราจะปราศรูปอยู่เดียวคือมีศินอย่างเดียวไม่พออาจจะว่าสินมากสินน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ไมันพอแต่มันเป็นอุปทานเป็นพื้นฐานที่เราจะไปต่อยอดต่อเพื่อมาให้เกิดความวิตกกังวลความริ้โทษการการะทำของเรารว่าสาเร็จไปด้ดีสมาธิ มีสติมั่นคงแล้วอยู่ในอารมณ์แะรองเง้วถ้าในในยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกในทุกนย่างตามความเป็นจริงมันก็ยังไม่สำเจประโยชน์ก็ยังไม่ได้ผลแต่ได้ในระดับหนึ่งคือสมาธิระงับดับพอรู้สึกรู้คิดปลูกแต่นนั้นๆดมันติต่อคืมันอยุดติงตัวได้ลยคือนี่คืออะไรสมกับสมาธิเราเป็นเอย่างไรกักตารมแต่ว่าความปิดใจกับตารมนั้นมันต้องมีสติกระจายกักับเกิดปัญญาอยู่เสมอปัญญานั้น ต้เป็นไปปรกรมละรอนปล่อยวางนี่เป็นการยึดไปถือหรือว่านี่ก็เป็นตัวปตนของเราเป็นเขาคือทาลายอนัตตาในสมาที่ันีอัตาอยู่ในขั้นของนกที่มีอัตาว่าใส่อัตตานี่ยร่อนป่วางเกี่ยวร่อต่านัตตาคืออารูปเริมคือเราไม่ได้พึงพายูปพายนอกอันนี้แล้วนี่ก็หมายในขณะเดียกันเราถ้าเราทาลายอารูปและอรูปไร้นั่นกคืออนั ก็ไม่มีตัวไม่มีเราไม่ไม่รู้ไม่มีตัวเงินเงินอาสัยเราไม้อาศัยคนไม่อาศัยป่าจึเป็นยุนเนื้อสัมาสัมภาระนี้การเรื่องเหล่านี้มันไม่เกิดอีกเพราะจึงเรียกว่าดับดับนี่แหละจึงเรียกว่าเนบถ้าซึ่งเหล่านี้เกิดกับท่านคือเกิดก็เร็วดับเร็วก็เร็วดับเร็วทำชาเขาเป็นตาเห็นรูปมันต้องรู้อยู่แล้วแต่รู้สึกแล้วเขาไม่ตอบท่านไม่ตอบเองแล้วดับทันที ยี่สิบวันมีผ่านนะไอ้มีผ่านไปวันดับเมื่อมันดับได้ก็มันเย็ น, ยนไม่ร้อนอยู่ลวพวกเราอยากมีเย็นมีร้อนอ ท, ท่านเย็นถ้าไปเย็นอยู่เย็นนะเราเป็นคนเย็นหลังจากเราทั้งหลายอยากเป็นคนเย็นอยกเป็นคนดับก็หัดให้เข้าถึงใจให้เข้าถึงจิตเราให้ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสัญญาไม่ใช่ด้วยสังขาร จะดูดยิ่งยากแต่ดูสติแล้วก็ปัญญาเพราะนั้นการปฏิบัติทารของเราคือต้องการมุม่งเวลาเกิดสติปัญญาพัฒนามุสติปัญญาเกิดแล้วพิทาเวลาทักมันก็จะตามมาเป็นกรบวนการเข้าเหมือนกันแต่ถ้ามีแค่ชีวิตจิตและการมการทํามันจะจบลรงตรงนี้โดยไม่มีธรรมะครับอยกากับดูแลเรียกว่า ค, คนไม่มีธรรมะมันก็อยู่แค่นี้ไม่อยู่แค่นี้ก็ต้องยอมเราโอนให้การกระทำของเรา แต่แกระทำคือการทางกายต่างวัจาะต่า ง, า, างใจผลมาเปไ็นไงก็ต้องยอรับเปไ็นั่นคือผลของการปฏิบัติผลของใจกรรมวัฏจีกรรมมนุษยก์ก็อย่างที่พวกเราเห็นนสมัยเป็ น, นคนเป็นมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วงเกิดจากเราวน่งว่ายไปเกิด แ, แตเพราะอันนี้มันยังวนไปยานวิวัฏฏะถ้าไม่วนสิ่งเหล่านี้คือความคิดขึ้นีทางใจกรรมวัฏจีกรรมมนุษ ย, ม, ษย ม, มันดก็เรียกว่าวิวัฏฏะคือมันเปิดแล้ว มันเปิดออกมันไม่เป็นวงกลมอยู่นี่แล้วมันตัดขาดขงวงมนมันเปิดมันไม่เป็นวงนกลมไยเราออกมาคุมอพอก พ, อพอ่อออกการเป็นวิบัตจากสังขารก็เป็นสังคตาธรรมก็เป็นวิาาสังขารคือปัจกาการปรุงกันตัางๆเอ า, เ า, า, 5 5 า, าอะไรมาปรุงกันำห้าแค่สก่คำห้าอะไรก็เป็นวงกลนั้นพูดเหมดทั้งหมดปัจจุบันที่ เ, เราทำ เพืเรารู้มากรู้น้อยต่างคนต่างเองอยู่เราทํามากทําน้อยไปดึงความเพียรความเพียรมีแต่ว่าสติมันเกิดหรือเปล่าสติเกิดปัญญามเกิดหรือเปล่านี่ต่างหากเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาของพวกเราทั้งหลายนั้นก็ป่าเราเป็นเป็นก้อนใจให้เราต้องหลายอย่าเพ้อย่าถาอยถเดินเราจะเดินตั้งแต่เราไปเรื่อย อ, อ, อย่ประโยชน์แคชีวิตเตกิดกรรมคือการจะทำเท่านั้นให้มี สติปัญญาต่อต่อไปเรื่อยๆจะเกิดทิพทาเลยครับสันตินิตรานคือเป็นปวาหมายสูงสุดคือปลายทางกันเดินครงบพวกอย่าไปยุติแค่นี้ถ้าไปยุติแค่นี้ก็โอ้เราก็จะวิ่งวายตายเกิดอย่างนี้ไม่รู้ที่พบกี่ชาติขออภิญญาติต่อคนอยุติงนี้นี่คือสาระธรรมสำหรับาพวกเราทั้งหลายข้ามคืนวันนี้ก็อยากให้พวกเราทั้งหลายได้เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความทีในการปฏิบัติ ในการต่อยอดให้น้ำขึ้นโดยขอ้อเพรีมีอยู่ในทุกอริยบทในชีวิตประจาวัน เ, เราเราก็จะประสบความสําเร็จมากน้อยแล้วแต่ข้อเพียรวาสนาบารมีของเราแต่และคนแตะท่านมันไม่เหมือนกันแต่ในกระตาต้องทําทุกวันทํามากทาน้อยไม่เป็นไรเดีย๋ยววันนี้ไม่เป็นไรโอ้นี่คือประมาณนะ่ะนี่คือสารธรรมกับฝากเราทั้งหลายคทำตรงนี้ถ้าใครทําได้อย่างนี้เราก็าจะเป็นผู้เจริญ อยโลกก็จะนแบโลกคย่ทาไม่ใเป็นบทาพระเรห ล, ลายเรงการตั้งทั้งโลกและทางธรรมทุกคนทุกการ